วันอาทิตย์ที่สามพฤศจิกายนพศ2539เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t h ท่านสาธุชนที่เขาพระสูตรวันนี้จะขึ้นวักที่เจ็ดแต่ละวักนั้นจะมีพระสูตรสิบสูตรวักที่เจ็ดมีอีกสิบสูตร วัคที่เจ็บมีชื่อว่ามหาวัคคำว่ามหานี้เป็นคำที่เรียกย่อมาจากคำว่ามหาภูตรุปที่มีอยู่สี่ได้แก่ดินน้ำไฟลมปฐวีอาโปเตโชวโยเนื่องจากว่าในวัคนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระสูตรที่มีเนื้อความไปคาบเกี่ยวถึง มหาพูทธรูปสี่อย่างที่เห็นในพระสูตรนี้เป็นต้นจึงเรียกพระสูตรในวรรนี้ซึ่งมีเนื้อหาไปขาาเกี่ยวถึงมหาพุทรูปสี่ว่ามหาวรไม่ได้แปลว่ายาวหรือเรื่องใหญ่ในความหมายอื่นเลยพระสูตรแรกของวรรนี้ชื่อว่าปฐมอัตสูตรว่าตาสูตร ปฐมเรื่แปลว่าหนึ่งส่วนคาว่าอ ส, สุตวตาเนี่ยแปลก่อนว่าความเป็นผู้มิได้สดับความเป็นผู้มิได้สดับก็หมายถึงความเป็นผู้มิได้ฟังซึ่งเป็นชื่อหรือเป็นลักษณะของปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ได้เข้ามาสู่ในข่ายของธรรมะหรือในการประพฤติปรมจรันนี้ ชื่อว่าเป็นปุทติชนผู้มิได้สดับเราจะได้ยินคำบาลีที่กล่าวถึงความเป็นผู้ไม่ได้สดับว่าเป็นอัปปสุตตะหรืออัปปสุตตวาที่เรียกทั่วไปว่าอัปปสุตตะแปลว่าผู้มีการสดับน้อยอัปปะั ป, ปะเนี่ยแปลว่าปราศจากก็ได้แปลว่าน้อยก็ได้อัปปสุตะ จึงแปลกันว่าผู้มีความสดับน้อยอ น, นั้นเป็นเป็นคําที่ได้ยินนะฮะในลักษณะของเรื่องอริยทรัพย์ก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาก็ดีผู้ใดมีพหูสุตตาหรือพอหูสัจจะสับได้เปลี่ยนรูปไปเป็นสัจจะก็คือมาจากคำพหูสุตะตรงนันข้ามกับอัปปะสุตต คือผู้ที่สดับจากฝังน้อยหรือไม่มีการสดับนั่นเป็นชื่อนหนึ่งเป็นสัตว์หนึ่งอีกซัพ์หนึ่งคือ อ, อัสอสุตตอสุตตาหรืออสุตวาก็ได้เอาง่ายๆก่อนว่าอสสุตคือสุตตาเนี่ยเรายืนไว้แปลว่าการสดับแล้วถ้าเป็นสุ ต, ตวานี่แปลว่าผู้สดับ เหมือนปัญญาวาผู้มีปัญญาสุตวาวาผู้มีการฟังปัญญาวาผู้มีปัญญายานวาไม่เกี่ยวนะญานาวายานาเป็นชื่อของปัญญาเหมือนกันแต่ไม่มีคาว่ายานวาอันนี้พอเติมบทปฏิเสธเข้ามาเติมอ่ะหรือนาเข้ามาเนี่ยอ่ะก็ซ้อนต่อเสือเข้าไปตัวหนึ่ง เป็นอสุตตาบาลีนั้นบางแห่งก็ซ้อนว่าอสุตะบางแห่งก็อสุตแตแปลว่าไม่ได้สดับไม่มีการสดับในนี้เป็นอสุตวาตาก็คืออสุตวาและตาแล้วความแหะความเป็นผู้มิได้สดับนี่เอาความอย่างนี้เลยเลยนี่พูดเรื่องราวเกี่ยวกับภาษา นิดหน่อยก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่เราได้ยินคุ้นๆกันอยู่ทำไมจึงตั้งชื่อสูตรนี้ว่าอัศสุตตะวตาคือความเป็นผู้มิได้สดับก็เพราะว่าประสูตรนี้ได้พูดถึงปรากฏการณ์ของปุถุชนที่มีความรู้สึกต่อรูปต่อนามในความเป็นตัวเป็นตนเพราะเหตุที่มิได้สดับวันนี้เราก็ยืนยันได้อย่างนงว่า เรื่องอนัตตาในพระพุทธศาสนานั้นบุคคลจะรู้จะได้ยินจะเข้าใจได้ด้วยการสดับธรรมของพระพุทธเจ้ามิเช่นนั้นแล้วเราจะไม่รู้จักอนัตตาเลยไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนไปศึกษาในเรื่องอะไรอะไรในโลกนี้ทั้งหมดคนที่รู้จักอนัตตาก็เฉพาะคนสดับธรรมในพระพุทธศาสนานหรือปฏิบัติตามธรรมอันได้สดับแล้ว ของพระบรมศาสดาก็จะได้เห็นอนัตตาโดยในยะของการปฏิบัติสืบต่อไปเพระสูตรนี้มีเนื้อความโดยลำดับว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะพระเชตวันอารามของท่านอนาตาบินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกวิสูตทั้งหลายว่าดูก่อนวิสูตทั้งหลายแล้วก็ตรัสเนื้อความว่า ตุชนผู้มิได้สดับจะพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสีน่นี้ข้อนั้นเพราะอ ะ, อะไรหรือเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าความเจริญก็ดีความเสื่มก็ดีการเกิดก็ดีการตายก็ดีของกาย อ, อันเป็นที่ประชุม แห่งมหาพู้จะรูปทั้งสี่นี้ย่อมปรากฏปุถิชนผู้ไม่ได้ระดับจึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างในกายนั้นนี่ข้อความในสูตรนี้น่นาสนใจนะครับเป็นสูตรเป็นสูตรเด่นอีกสูตรหนึ่งของภาตรลยิโดกเล่ม น, นี้แล้วก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรม เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิปัสนาภูมิผมจะอธิบายเป็นตอนตอนตอนตอนไปขอให้ดูคำว่าปุถุชนผู้มิได้สดับอสุตวาปุถุชโนโอปุทุชนผู้มิได้สดับทำไมจึงเรียกว่าปุถุชนผู้มิได้สดับทำไมจึงไม่เรียกว่าปุถุชนผู้มิได้ปฏิบัติ ที่ตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผูไม่ได้สดับเนี่ยโดยต่อไปก็จะทรงตรัสถึงพระอริยะผู้ได้สดับผมอาจจะเคยพูดถึงข้อความตรงนี้แล้วแต่ว่าควรจะต้องในนีนทีหนึ่งว่าอย่างเราเนี่ยเป็นปุถุชนและเป็นผู้ได้สดับแต่ก็มิได้เห็นอนิจจังทุกขังตา หรือเห็นนามรูปโดยความเป็นอนัตตาจนบัตนีเออลองลองดูข้อความในตอนท้ายสูตรอ่าในหน้าดูในหน้าสองว่าอริยาสาวกผู้ใดสดับในประเด็นที่หกเนี่ยนะเป็นผู้พิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมไหนแม้ในรูปเนี่ยนะเราเองก็ไม่ใช่อริยะได้สดับแล้วทาไมไม่เป็นอริยนี่อันนี้ก็เป็นข้อที่เราอาจจะเคยสงสัยผมเคยสงสัยมานานแล้วก็ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไร แต่นี่คือเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้รู้แล้วจะบู๊เดี๋ฟังว่าท่านตลาดว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยท่านกล่าวถึงปุถุชนทั่วไปที่ทมิได้เข้ามาสู่เขตแดนของอาธิพรมจรย์คนที่ไม่ได้เข้ามาสู่เขตแดนของอาธิพรมจรันคือเบื้องพรหมจรรย์เบื้องต้นหรือเบื้องต้นของพรหมจรรย์ที่เคยพูดถึงการสดับตรักฟังเนี่ยเป็นกระบวนการเบื้องต้น ของผู้ที่จะเป็นพระอริยะเราเองแม้เป็นปุถุชนแต่เป็นผู้ได้สดับเนี่ยคือเป็นปุถุชนที่มีอนาคตมีอนาคตเป็นอริยะเพราะอะไรเพราะว่าเราได้สัดับมีอาธิปรมอาจา ร, รย์ข้อนี้และปุถุชนใดที่นี้ได้สดับเนี่ยแปลว่าถูกตัดเหตุถูกตอนเหตุที่จะทำให้เป็นพระอริยะ ตั้งแต่ตอนลองไม่ได้สดับแล้วเนี่ยไม่มีทางเลยที่ปุตตชนผู้นั้นจะเข้าถึงธรรมที่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงได้คือเรื่องเห็นนามโมกโดยตามความเป็นจริงเนี่ยนะไม่มีทางเลยเฉะนั้นเราเองในเวลานี้เราเป็นปุตตชนผู้ใดผู้ได้สดับว่าที่อริยะแต่ว่ายังไม่ถึงแต่เข้าสู่เขตของอาธิปรมจรและจะก้าวต่อไป ถ้าเป็นคนอื่นแม้เดี๋ยวนี้ก็มีได้ระดับแม้วันต่อไปแม้นาคตก็ยังมิได้ระดับชื่อว่ายังไม่ได้เหตุแห่งอริยมรรคอริยผลชื่อว่าไม่ได้อาธิพรหมจารย์จึงทรงตรัสตรงนี้โดยอาธิพรหมจารย์ข้อใหญ่คือถ้าพูดใหเต็มเนี่ยผมจะทวนให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสว่าเมื่อ พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกทรงแสดงธรรม น, นี่เป็นเหตุกันเนาะเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมใครยังไม่ได้ฟังธรรมคนนั้นเชื่อว่ายังไม่ได้อาธิบ ร, รมอาจารย์ต่อเมื่อคนนั้นได้มาฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วเชื่อว่าด้อาธิบ ร, รมอาจารย์ข้อหนึ่งประการที่หนึ่งเมื่อฟังธรรมแล้วเลื่อมใสไอ้ความเรื่องใสก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่เดินต่อไป เมื่อได้ความเรื่องใสแล้วบางคนก็ละก อ, องโพค้าออกบวชเมื่อบวชแล้วก็สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทแล้วก็สมาธิสิกขาจิตสิกขาก็ตามมาวิปัสนาตามมามักผลตามหมานี่ว่าโดยลำดับเนะี่ยนี่ก็พูดเพื่อเห็นภาพว่าที่ทรงตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้เลื่อนใสมิได้ตรัสว่าปุถุชนผู้มิได้บวช นี่ได้ตรัดว่าบุตรชนผู้มิได้มีอินทรีย์สังวรศีลเป็นตน้นก็เพราะว่าสงตราสเอาตัวต้วตนของอาทิโมจัญออทิโภจรย์ในผมเคยพูดแหละก็จึงได้ตรับอย่างนี้ว่าปุตุชนผู้มิได้ถัดบุตุชนผู้ไม่เข้ากระแสมาตอนนี้ก็เอาความว่าุตรชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยท่านว่า ย่อมเบื่อหน่ายซื่งตรงนี้หมายถึงว่าเบื่อหน่ายในร่างกายเป็นเบื่อหน่ายอยากจะหลุดพ้นยกตัวอย่างง่ายๆว่าพวกใดชานเขาก็เบื่อหน่ายร่างกายอยากจะไปเกิดในอารมณ์มืดนะหรือคนธรรมดาทั่วไปก็เบื่อเบื่อหน่ายเช่นว่าเบื่อหน่ายที่ฟันหักหนังเหี่ยวผิวหนังตกกระผมหงอกตาฟ้าฝางเบื่อไหมเบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายเป็นคําบอกไม่ชอบ ได้ความไม่ชอบนี่ท่านไม่ได้หมายถึงด้วยยามได้อะไรนะแต่ว่าโดยธรรมดาเนี่ยเป็นความเบื่อหนาอย่างที่ผู้ธรรมดาเนี่ยแล้วก็อยากจะหลุดพน้นหลุดพ้นหมายถึงพ้นไปจากความเป็นอย่างนี้เช่นเราอยากอยากผมงอกไหมไม่อยากงอกแล้วอยากพ้นไหมอยากอยากพ้นผมงอกแล้วแล้วผมไม่งอกเป็นไงผมดํำในที่หลังผมมันสีทองยอมผมขาวเออไม่เหมือนเรา เราหลังเกตผมขาวว่าหลังว่าผมขาวสวยใช่ไหมฮะผมเห็นบางคนก็ทำกันอันนี้คือความอยากหลุดพ้นตามความคิดเราเนี่ยไอ้คําพูดตรงนี้ไม่ได้หมายถึงหลุดพ้นเป็นยางยาอะไรกันนะเราก็คิดว่าจะพ้นได้ไงทําไงหนังถึงจะไม่หย่อนจะพ้นได้ไงทํายังไงฟันถึงจะไม่โยกจะพ้นได้ไงทํายังไงตาถึงจะไม่ฟ้าฟางจะพ้นได้ไงเราก็หาทางพ้นก็พ้นบ้างไหมพ้นบ้างพนน้อยพ้นมากก็แล้วแต่ แต่ทําไปทามาก็ไม่พ้นว่าอย่งนั้นแหละแต่อย่างน้อยเนี่ยคนหรือไม่พ้นเราก็เบื่อและเราก็หาทางทุ่เราเบาบางไปเป็นคร่าวๆก็ยังดีนะครับเพราะร่างกายเรามันเป็นสิ่งที่มีความเป็นอย่างนี้ปรากฏคือความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีนี่เป็นของปรากฏฮนะความเกิดและความเสื่อมความเจริญนะนะเป็นของปรากฏเราเห็นอยู่เนี่ยวาเอ๊ะเมื่อกี้ ตอนนั้น อ, อวยะวะอวยะวะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีหรือมีโดยไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มามีเดี๋ยวนี้มาเป็นอย่างนี้แล้วมาไม่เป็นอย่างนี้แล้วมาไม่มีอีกอย่างนี้นะมันเห็นเลยชื่อว่าความเจริญและความเสื่อมปรากฏการเกิดก็ดีการตายก็ดีอันนี้ก็ปรากฏอีกรเราก็าเห็นเห็นออย่างโลกๆมาตายก็เห็นเกิดก็เห็น แม้ว่าเราไม่เห็นตัวเราตายตัวเราเกิดก็เห็นคนอื่นแล้วก็โน้มมาถึงตัวเองว่าเราต้องตายต้องเกิดเนี่ยความเป็นไปของร่างกายที่สำเร็จมาจากรูปใหญ่สี่รูปดินน้ำไปหลมเป็นอย่างนี้ปุถุชนจึงรู้จักเบื่อเป็นไม่ชอบเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็คิดดูให้ดีนะว่าธรรมดาปุถุชนเนี่ยมันรักตัวใช่ไหม ทุกคนเนี่ยรักตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่รู้แต่เราก็ยังอุตส่าห์รู้จักเบื่อตัวเองเป็นไอเบื่อแบบเราอะนะจะเบื่อแบบไหนก็ยังเราเบื่อแหละเช่นว่าเราเบื่อผิวหนังใครยังมาทันหลกผิวหนังเราออแเราก็คงไม่ยอมไปเพราะามันมีความรู้สึกอีกด้านหนึ่งมายึดถืออยู่เบื่อผมผมงอกเราก็ของอยากอยากให้ผมมีบนหัวต่อไป อยากให้ห้ร่วงจนหมดหัวควันโยกควันก่อนอะไรก็ทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกที่มาทับซ้อนกันอยู่แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในส่วนนี้ว่าตุถุชนธรรมดาทั้งปุถุชนมนุษย์พุธุชนในใจฉานนี่ยครับเหมือนกันทั้งนั้นรู้สึกอย่างนี้เป็นทั้งนั้นเด๋กเขาจึงได้ทรงตรัสต่อไป ว่าตูททชนไม่อาจเพื่อจะเบื่อหน่ายจิตนี้ที่ผมขึ้นหัวข้อไว้เห็นเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะอธิบายว่าทำไ ม, มจึงทรงตรัสในดังที่พุทธคตโดยทรองว่าแต่ตถาคตเรียกกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่นี้ว่าจิตบ้างมนโนบ้างวิญญาณบ้าง ผู้ทชนผู้ไม่ได้ถดดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรตรงนี้ข้อความฟังยากอยู่ก็ตอนต้นว่าทรงตรัสว่าถาคตรเรียกกายันประกอบด้วยอาพุธ ร, รูปสี่นี้ว่าจิตบ้างกอ่ามโนบ้างไง น, นะคือทรงตรัสว่าร่างกายประกอบด้วยท่าสี่เนี่ย ชวนงงเนี่ยเพราะว่าท่านเราไม่ไม่พิเคราะห์ศึกษาอา่านบทอธิบายให้ดีแล้วก็เอ๊ะทาไมทําไมต้องมาตาัสว่ากายประกอบด้วยธาตุสีนี้เรียกว่าอย่างงนุนคือจริ ง, รงๆแล้วก็ะรงต้องการจะบอกว่าสิ่งที่เป็นนามากายนะฮะนามากายท่านก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะทำไมไม่เรียกนามากายไปซะเลยเพราะบางที่ก็มีกรรมานามากายทําไมต้องมาเรียก ปูคื้นมาจากกายอันประกอบด้วยธาตุสีที่ทรงเรียกหมายเอาว่าจิตบ้างอะไรบ้างที่ทรงตรัสอย่างนี้เนี่ยตถาท่านก็บอกไว้ทำให้เราเข้าใจซึ้งขึ้นเลยว่าท่านตรัสแก่ภิกษุที่แสดงธรรมอยู่ในที่นั้นที่เป็นปุตุชนที่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายในร่างกายอยู่ คุ้นเคยกับร่างกายอยู่และไม่เข้าใจจิตมีความรู้สึกต่อจิตเหมือนอย่างคนธรรมดาที่มีคํานึกดีหน่อยรู้สึกว่าร่างกายเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้กายเราไม่สามารถทำให้เป็นอย่างใจได้แต่ใจเนี่ยมันเหมือนไม่เป็นอย่างกายพระพุทธเจ้เ า, จจากำลังจะเพิ่มความเบื่อจิตนะภิกษุที่มีใจผูก พันฝักไฟอยู่กับรูปกายเป็นพวกที่มีจิตใจผูกพันฝักไฟพอเห็นละแคละคลายของความน่าเกลียดน่าเบื่อของร่างกายอยู่แล้วก็ทรงตรัโยงเข้ามาหานามว่าแม้นามเนี่ยเราก็เรียกว่ากายเหมือนกันในต้ัณย์ในลักษณะที่เทียบเกียงเลียบความลงมาหานามว่าเธอเนี่ยผูกพันร่างกายแต่มีกายอีกกายหนึ่งนะ ก็เรียกว่ากายเหมือนกันเป็นนามากายที่อยู่ในสรีละนี่แหละเธอไม่เบื่อหน่ายเหมือนกับกายของเธอซึ่งความคิดอย่างนี้ของเธอเนี่ยไม่สมเพียรสมผลเพราะอะไรเพราะความเป็นจริงเนี่ยหน้าอร่างกายเนี่ยหน้าเบื่อน้อยกว่าจิตความนามากายนามากายนั้นเกิดขึ้นดับไป เร็ ว, วาขวากายมันเร็วถึกจะมทั่งดูไม่ออกเธอจึงไม่เบื่อแต่ในเนื้อของสภาวะเนี่ยหน้าเบื่อมากกว่าท่านต้องการจะพูดอย่างนี้กับภิกษุที่เริ่มมีทัศนคติต่อชีวิตในทางเบื่อหน่ายแต่ว่าเฉพาะซีกกายแล้วก็ยังเข้าใจผิดนามกายอยู่ทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ จึงค่อยๆพูดเรียบไล่เข้าไปหานามากายด้วยรู ป, ปากายแล้วก็ส่งแสดงใบโพธว่านามากายจะเรียกว่าจิตเรียกว่ามโนเรียกวิญญาณก็ตามเถอะนั่นแหละเป็นสิ่งเดียวกันเรียกว่ากายได้เหมือนเรียกกายที่ประชุมที่ประกอบเ้วยมหาพุทธลู่สี่นั่นเองแล้วก็ได้ทรงตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ไม่อ่านเบือ่อน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นในจิต เป็นต้นก็หมายถึงในจิตมโนวิญญาณนั่นแหละได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเนี่ทรงสแสดงเหตุเมื่อสแสดงความเป็นจริงของบุติชนที่มีความรู้สึกต่อจิตคือไม่เคยเบื่อเราก็เรื่รองนี้ดูจริงไหมว่าจิตของเราเนี่ยเราไม่เห็นความแก่ถูกไหยฮะไม่เห็นความแก่ไม่เห็นความป่วยเวลาเราป่วยนี่เราไม่เคยเบื่อจิตเลย รู้สว่าจิตนี่ไม่เป็นภาระไม่เป็นปัญหาไม่น่าเบียดไม่น่าเบื่อไม่เหมือนร่างกายเราก็เลยไม่ได้เบื่ออย่างที่เราเบื่อร่างกายต้องว่าอย่างนี้ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอันนี้เราก็จะดูคุณตะจก์ชัดๆตรัสว่าเพราะจิตมี ปุถุชนผู้มิได้สดับรวบรัดถือไว้ด้วยตัณหายึดถือด้วยทิฏฐิว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ตลอดกาลนานฉะนั้นปุถุชนผู้มิได้สดับจึงไม่อาจเบื่อหน่ายคใครสำนัก หลุดพ้นในจิตนั้นได้เลยนี่คือไม่ได้เบื่ออย่างร่างกายที่เราเบื่อแล้วทำไมละ่ะเพราะความรู้สึกว่าเป็นตนเป็นต น, เ ป, น, ตนเป็นตนเนี้ยไปอยู่ที่จิตเป็นสาระสำคัญรู้สึกเป็นตนเริ่มหน้าของตันหาด้วยอำนาจของตันหาเราลองลงมนึกรู้ให้ดีๆอย่างํานึกสามมันนะตันหาคือที่เขาว่าเรามีความผูกพันยึด ติดในตัวเราเนี่ฮะเรารักตัวนะพูง่าถ้าร่างกายเราแก่เราเท่าเราบุกสลายกับดวงจิตของเรายัางอยู่เนี่ยเรายัางพอมีความบุญใจนะว่าตายแล้วจิตของเรายัางอยู่ยังเวียนว่ายใจเกิดทาบุญแล้วจิตยังมีส่วนของความเป็นกรรมพันธุ กรรมทายาโทรเราก็ยังรู้สึกมีความอุ่นจิตแต่จิตยังอยู่เรามีความรู้สึกว่าใจเนี่ยมันเป็นเป็นอัตตาตัวตนของเราอย่างลึกซึ้งต่างเอาเป็นที่พึ่งโดยตัณหาเนี่ยคือความรักตัวก็เลยถามว่าเรารักตัวเนี่ยเรารักกายกับรักใจรักอันไหนมากกว่ากันอถามอย่างนี้มันอาจจะแบ่งแง่ตอบได้เยอะ แล้ต่อมันเผินเหมือนบางทีว่เาเรารักกายมากกว่าการรักกายมากกว่ามือเราไปจับอะไรและใจไม่ยอมรับรู้เราชอบไหมเราก็ไม่ชอบคือเราก็รักความรู้สึกของเราเป็นเรื่องสำคัญเพราะันไอ้กายเนี่ยมันเหมือนเป็น ที่ที่มันเป็นของนะฮะในความรู้สึกเราเนี่ยมันเป็นของเราที่เราจับต้องได้ทำอะไรได้ด้วยมือด้วยวัดถูกอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือความหลักแล้วก็ทิฏฐินะี่คือความเห็นเลยความเห็นว่าตัวตนเราเนี่ยคื อ, อย่คืออะไรผมก็ต้องย้าว่า ความเห็นว่าตัวตนเราคืออะไรมันมีอยู่สองชัน้นชั้นหนึ่งคือชั้นหลักการไอ้ชั้นหลักการเนี่ยมันก็อาจจะพูดว่าโอ้ยจิตไม่มีแล้วร่างกายเราเนี่ยเป็นของแท้เป็นตัวตนแท้ได้พูดอย่างในชั้นหลักการชั้นเหตุผลแต่ถ้าเป็นชั้นสำนึกเนี่ยเสมอกันหมดเลยครับประเภทไรเวลักการก็ปากอย่างใจอย่างทุกคนนั้นเห็นแก่ตัวใจทั้งสิ้นเห็นแก่ใจทั้งนั้น เพียงแต่ว่าเออถามว่าคุณดีใจรู้ไหมดีใจรู้แล้วดีใจมีจริงมั้เออก็าอาจจะมีหลักการไม่ใช่มันอย่า ง, งานู้แต่ว่าคุณรักความมีใจคุณไหมรักชอบความสุขใจชอบนั่นแหละครับคือมีความรู้สึกว่านั่นเป็นสาระแห่งความเป็นตนเป็นตัวของเราที่เป็นสํานึกในทางลึกสเสมอกันหมดเลย ถึงสัตว์เหล่าสัตว์ที่ไม่อาจรับหลักการว่าอย่างไรอย่างไรได้ในเช่นเดลฉานก็รู้สึกอย่างนี้ทั้งคนที่รับหลักการแม้เป็นอย่างอื่นปฏิเสธจิตไอทางลึกก็รั ก, กจิตนั่นเองเห็นเป็นของพึ่งพาได้เป็นของยืนหยากอยู่ถ้าเราเข้าร้านเสริมสวยตัดผมความรู้สึกเราด้วนหายไปด้วย ดีไหมออกมาเนี่ยเราไปตัดตรงนี้มาได้ไงส อ, องนองเนี่ยทาเล็บเสร็จแล้วเราไปทาเล็บนี่มาได้ไงทาปากด้วยสีนี้ได้ไงงงจริงเนี้ยเพราะว่าไอตอนตอนทําจิตมันด้วนหายไปใช่ไหมมึนเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ดีแต่ว่าไอการที่เราจะตัดผมจะทาผมจะอะไรยังไงให้ไปอย่างไรเนี่ย ความรู้สึกลับรองยืนพื้นมีอยู่เนี่ยเราก็เอาตัวนี้เป็นตัวยืนหยันไว้ไอ้ร่างกายนั้นมันอาจเปลี่ยนเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ได้การยึดถือตั้หาเนี่ยก็คือความรักว่าเป็นตัวคิดถีก็คือมีความเห็นปักใจเชื่ออยู่ในสํานึกว่าตัวมีจริงๆเป็นสาระจริงๆ ทีนี้ไอ้การยึดตัวเนี่ยมันก็ยึดอย่างเป็นตัวเป็นของตัวเนี่ยแหละครับความคิดอา่าโยกไปโยกมามันก็มันก็คืออัตตาโนทิเตียตนและของตนอย่างที่เคยพูดมามากแล้วตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสย้ำว่าตลอดการช้านานไม่ใช่เราเพึ่งมามีความรู้สึกตอนนี้ไม่ใช่เราเพึ่งมาฟังหลักการจาก ธรรมนัตรามพวกนี้จึงรู้สึกไม่ใช่เราเพิ่งมารู้สึกเมื่อเรามาเป็นมนุษย์ความรู้สึกอย่างนี้ที่เป็นตัวอย่างลากลึกเนี่ยเราจะเวียนไหวก า, ายเกิดไปอยู่พบสูงพบต่ากิเล ส, สองตัวนี้ไม่สูงไม่ตามตามไปเลยจึงตรัสว่าฉานั้นปุถุชนผู้มิได้สดับจึงไม่อาจเบื่อหน่าย คลายกำหนัดหลุดพ้นในจิตนั้นได้เลยนี่คือสาเหตุว่าเพราะว่าเราเนี่ยไอ้ตัณหามันตามแช่กับความรู้สึกเรามายืดเยื้อยาวนานเราไอ้แน่นอนนะไอ้ร่างกายมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็มันก็เริ่มเบือ่อเริ่มคลายไปตามลําดับแล้วพอจะตายจริงๆเราก็ต้องตัดใจถอดทิ้งร่างแต่ความรู้สึกเราเนี่ยความจริงมันเกิดดับแต่เราไม่เห็นเรารู้สึกว่ามันยังอยู่ มันยังอยู่คงที่คงเดิมเหมือนเป็นอันเดียวก็จึงท่าลระลึกแม่พวกระลึกชาติได้ก็ยังรู้สึกว่าใจเราเมื่อชาตินี้กับชาติก่อนก็ใจอันเดิมนั่นเองผิดแต่กายเท่านั้นที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ทั้งโดยยาณวิถีใดๆความรู้สึกชุ่มแช่อย่างนี้มีเป็นปกติจึงเอาออกยากเพราะเราทามานาน แล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่นั้นทำมานานแบบนานนานทีนานนานรู้สึกทีแต่เราต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ไม่เคยไม่ทำความรู้สึกแค่นี้ให้ปรากฏเลยจึงได้สลับต่อไปว่าดูก่อนที่สูทั้งหลายปุตชนผู้มิได้สดับจะพึงเข้าไปยึด หรือเอากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูดทั้งสี่โดยความเป็นตนยังชอบกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือจิตโดยความเป็นตนหาชอบใหม่ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรนี่เขาเรียกว่าทรงพูดอย่างสมมติฐานปุถุชนเพราะถ้าจะเอาละะจะพูดกันอย่างยึดเนี่ยสิ่งที่น่ายึดเนี่ย ผู้ทุชนก็ยังยังยึดผิดคือเรียกว่าไอ้ความยึดนมันก็ผิดและยังอุตบายยึดยังไม่สมเหตุสมผลอีกสิ่งที่ควรยึดกับไม่ยึดไปยึดสิ่งที่ไม่ควรยึดก็ดูเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเพราะกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพุทธลูกทั้งสี่นี้เมื่อดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้าง ส, าางสี่ปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้าง ยี่ิบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างยิ่งกว่าร้อยปีบ้างย่อมปรากฏก็คือทรงกลัอายุของร่างกายอายุของร่างกายนะไม่พูดถึงอายุเส้นผมอายุหนังอายุฟันนี่เกิดถึงตายเนี่ยครอบคลุมเวลานานมากอายุตัวระหว่างนั้นถือเป็นความเปลี่ยนแปลง ของร่างกายที่สําเร็จขึ้นมาจากชนกกรรมในชาติหนึ่งหนึ่งนั้นแต่ราคาคดเรียกกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพุทธรูปทั้งสี่นี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาบ้างจิตนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปในกลางวันและกลางคืนอันนี้ก็ตรงตัดอย่างค่อนข้างหยาบนะครับค่อนข้างหยาบว่าจิตเนี่ยวันหนึ่งคือหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดเกิดดับ ตั้งกลนคืนตั้งกวันคือเราก็รู้ว่าจิตนั้นเกิดดับเร็วอ่านพุทธน์ใ้ให้จบโดยในย่าเปรียบเทียบไปก่อนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายว่านอนเมื่อเที่ยวไปในป่าจับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นยึดเอากิ่งอื่น ปล่อยกิ่งที่ยึดเดิมเหนียวกิ่งใหม่ต่อไปแม่ดันใดจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างเยจิตนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปกลางคืนและกลางวันก็ฉันนั่นแหละอันนี้ก็จะนึกได้ว่าจิตนั้นเปรียบเหมือนลิงคือลิงเนี่ยมันมีลักษณะไวแต่ที่ต้องเปรียบเพราะลิงเนี่ยมันไวคือเดี๋ยวเปลี่ยนไปสู่ที่นั้นจับอารมณ์นั้นจับกิ่งไม้เหมือนอารมณ์ เปลี่ยนที่เปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็เปลี่ยนที่ยึดไปโดยลาดับเหมือนจิตจิตนั้นว่าจริงแล้วไว ย, ยิ่งกว่าลิงมากแต่ก็ทรงตรัสพอให้เห็นได้อย่างง่ายๆเนี่ยว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งในจิตเกิดดับเร็วมากเรียกว่าถ้าจะทำศพก็ไม่หวั่นไหวครับนะฉะลองวันเกิดก็จะลองไม่ไหวไม่รู้จะฉะลอง่อจะจะลองเสร็ก็ตายกันไปแล้ว ไอ้จิตจะหลงก็ต้องมาโดนจะหลงเลยมันเกิดดับรวดเร็วเหลือเกินหน้าไม่น่ายึดถือและพูดถึงว่าคนที่เห็นความเกิดดับของจิตกับของรูปเนี่ยการเห็นความเกิดดับของจิตนั้นมีผลต่อการคืนคลายกิเลสได้ดีกว่ารูปได้ลึกซึ้งกว่ารูป เพรความแตกดับนันรวดแล้วก็แสดงถึงความมีปูมิปัญญาคมชัดกว่าผู้กำหนดเห็นรูปจากตรงนี้แหละครับพระสูตรมีอัจถรกะถาท่านจึงได้แกว่ า, ารูปนามในความจริงก็เกิดดับทั้งคู่ในทางลึกนะอย่างเช่นว่าเรารูปในปฐ ม, มวัยไม่อยู่ไปถึงมัชจิ ม, มวัยรูปมัชจิ ม, มวัยไม่อยู่ไปถึงปัจจิ ม, มวัย กระทั morning, ่งว่ารูปปีนี้ไม่อยู่ถึงปีหน้ารูปเดือนนี้ไม่อยู่ถึงเดือนหน้ารูปปากนี้ไม่อยู่ถึงปากหน้ารูปวันนี้ไม่อยู่ถึงวันหน้ารูปเช้าไม่อยู่ถึงงคืนและรูปปัมมยามไม่อยู่ถึงมัจจิมัยามรูปในอิริยาบดยืนไม่อยู่ถึงอิริยาบดนั่งรูปในขณะก้ารูปยกไม่อยู่ไปถึงรูปอย่าง รูปย่างไม่อยู่ไปถึงรูปหย่อนรูปหย่อนไม่อยู่ไปถึงรูปเหยียบมันก็แตกดับเร็วกันในี่ยโดยขนาดนะแต่ว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงของรูปขนาดย่อยเนี่ยไม่ได้เป็นไปด้วยอํานาจของจ้าหนกกรรมใหม่ก็จ้าหนกกรรมเก่าแหละนั้นไอ้ดูมองข้าวกราบมามองอายุทั้งชีวิตเนี่ยมันก็ชีวิตหนึ่งแต่ขนาจิตเนี่ยเกิดดับชั่วเฮรัดนิ้วมือเดียว หลายแสนโกดขณะดนี่ถ้าใครจะเอาหลักฐานนะว่าคําพูดที่พูดเนี้เอาหลักฐานจากไหนก็จดไว้เลยครับเพื่อจะไปบอกใครได้ที่หลังว่าอยู่ในอาาาานัตคาถาสูตรนี้ในรักถาสูตรดีแล้วครับที่ว่าจิตเกิดดับแสนโกขณนะดพระพุทธเจ้าเองก็ตรัสไว้ในที่อื่นๆว่าไม่ทรงเห็นความเปลี่ยนแปลงของอะไร ในโลกเนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนจิตไม่มีเลยโดยธรรมดาแม้การที่จะอุปมาเปรียบเทียบถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตก็กระทำได้โดยยากไม่มีที่เปี่ยบเกิดดับรวดเร็วมากนี่มันเร็วมากเนี่ยก็เลยทำให้เรามองไม่ทันเนี่ยพอมองไม่ทันเขาก็เลยเนึกว่าเป็นเป็นผืนเป็นแท่ง เหมือนกระแสไฟไงนะเกิดดับรวดเร็วมากจนมองไม่ออกหรือเหมือนนักมายากลเขาทาอะไรอย่างเร็วๆมองไม่ออกก็นึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆจับพิรุธไม่ได้เราก็เลยตื่นเต้นหลงเชื่อไปว่าจริงอย่างนั้นอย่างนี้จิตก็เหมือนกันเหมือนเป็นนักมายากลเกิดดับรวดเร็วจนเรามองไม่ทันนี่วิธีที่จะให้มองทันเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้ไปชะลอความเกิดดับ เร็วของจิตให้ช้าลงแต่ทําให้สติสัมมาชัญญะวัยขึ้นอา้าวแล้วถามว่าแล้วสตินย้นย่มก็เกิดดับเร็วกันมันก็เป็นจิตเหมือนกันเนี่ยเกิดในจิตเหมือนกันเนี่ยแล้วทําไมถึงมองไม่เห็นเช่นนั้นชวนกันให้ดูดูที่ว่าจิตเกิดดับเร็วจริงไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเออผมไม่เห็นมองไม่เห็น ถามว่าที่มองไม่เห็นเนี่ยอย่ามาอ้างว่าเพราะว่าเอากล้องฟองดูเอาแว่นใส่ดูมองไม่เห็นเราก็เอาสตินั่นแหละดูแล้วทําไมดูไม่เห็นแล้วทําไมคนปฏิบัติถึงดูเห็นสติเราก็สติคนปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้เนี่ยเอาลาพูดว่ามันเร็วมันวัยกว่ากันเนี่ยมันไวัตรงไหนเพราะยังไงแท้สติมันก็เกิดในจิตเมื่อเป็นจิตแล้วจะเป็นจิตพุทธนจิตกันก็เกิดดับเร็วเหมือนกันแล้วทาไมถึงไม่เห็นความเกิดดับ ที่ว่าช้าพูดถึงช้าเนี่ยพูดสองอย่างคือช้าชัดช้าช้ากับไม่ชัดหรือตื่นเร็วไวกับชัดที่ว่าช้าเนี่ยคืออย่างไรบอกว่าในสติช้าคืออย่างไรก็คือความฉับไวในการกำหนด รู้ความรู้สึกสํามนึกตัวเนี่ยชักชา้าเอาเดี๋ยวผู้นี่บอกเอ้าก็นี่ก็จ้องอยู่ตลอดหน้านทดีเนี่ยช้าได้ไงไม่ไม่คิดอย่างอื่นนะต้องทำไมไม่เห็นละ่ะไอ้คำว่าช้าว่าเร็วเนี่ยมันไม่ใช่มาตัดตัวเอาว่าเวลาเท่านั้นทนันนี้แต่มันหมายถึงคุณสมบัติอันฉับไวของการรู้ด้วยสติ ต้องเป็นคุณสมบัติเฉบไว้แล้วอาจจะประเดี๋ยวเดียวเนี่ยนะเห็นเลยเพราะมันมีลักษณะความเฉาไวเราเลืกดูสมมติว่าคนทําท่าไหวๆแบบฝืนธรรมชาติความไวตัวหรือพูดแบบไวๆวัดไปๆเนี่ยแล้วมันไหวไม่ได้ตลอดไม่ได้เป็นธรรมชาติใช่ไหมมันไหวแบบฝืนน่สติแบบไอ้จ้องดูแบบ ท, ทําผ่าฝืนฝืนไม่ใช่ไหวจริงมันไม่ได้ไหวอ ย, อย่างเป็นศักยภาพ อันนี้อันนี้อันหนึ่งแล้วก็ความไวกับความแทงตลอดแทงลึกเนี่ยมันของคู่กันเออไอตรงนี้มันอ่าน จ, จะไม่เหมือนกับไอไอความไวกับไอความลึกเรื่องอื่นนะบางคนไวจริงแต่ตื้นทําอะไรไวจริงแต่ปิดตอบปัญหาไวจริงแต่ปิดอะไรอย่างเงี้ยนะยังอื่นอานไม่ไปด้วยกันแต่ในทางยานเนี่ย ความฉับไวกับความอย่างลึกเนี่ยเป็นไปตามส่วนเป็นไปตามส่วนในทางการอย่างรู้จริง ไ, ม, งไม่จริงเมื่อใดท่านลึกแสดงว่าท่านไวขึ้นแล้วเมื่อใดท่านไวแสดงว่าท่านลึกขึ้นแล้วลึกและไวไปตามส่วนตามส่วนของการปฏิบัติเขา้าเข้าใจที่พูดนะผมไม่พยายามจะพูดให้นึกถึงประสบการณ์ของตัวนะว่า มันเป็นอย่างนี้จริงๆก็เลยพูดว่าวัยโดยหมายเอาอย่างนี้ไปเค้นคอถามาว่าวัยยังไงอะไรยังดีก็ลืมคิดก็ลืมคิดเหมกันว่าวัยยังไงเมื่อจิตเกิดดับเร็วจนดูไม่ทันเราก็ถูกจิตหลอกกายเนะ่ยมันหลอกตาหลอกหูเราไม่ได้จิตเนี่ยหนึ่งมันเป็นนามธรรมาด้วยใช่ไหม นามมาทำไม่พอยังไว้ที่อีกมันก็เลยหลอกเราได้หลอกสัตว์ทุกกลุ่มได้หมดเลยตั้งแต่อเวจีมารนรกจนกระทั่งถึงภาวะกับหล่หลอกได้หมดหลอกไม่ได้ก็จะเพราะคนที่สะดับธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้วแล้วก็ได้ไปสะกดรอยตามดูโดยในวิธีทางนี้นี่เองที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัส ต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเอ่อตรงนี้ก็ว่ายนิดหนึ่งว่าเป็นอริยสาวกก่อนสดับหรือเป็นอริยสาวกหลังสดับหรือเป็นอริยสาวกพร้อมสดับอตอบแต่ร้องเราเขาบอกว่าเออมันมีไอ้พร้อมสดับไปเหมือนกันหลังสดับมนเยอะไอ้ก่อนสดับนี่ไม่ได้แน่ใช่ไหม ไม่ได้ต้องสะดับก่อนแต่ว่าถึงถ้าพูดเอาละเอียดแล้วเนี่ยไม่เอากายภาพภางนอกเนี่ยนะต้องเป็นอรลยสาวกหลังสดับเช่นว่าใครไม่เพราะอ้าปากยังพูดไม่ได้ไม่ได้เต็มคำพูดหรือบรรลุแล้วเนี่ยฟังไปบรรลุตามไปปัจจุบันทันดว่วนไม่ได้อย่างเร็วที่สุดอาจจะต้องอาจจะจบบทุทูเทศเนี่ยแล้วก็บรรลุตามหลังอย่างอาจารย์จิตอย่างนั้นมี เรื่องน้าเรียกว่าโดยอาการฟังแต่ว่าโดยปฏิปทาเนี่ยต้องถือว่าหลังเสมอเพราะอะไรเพราะฟังแล้วจึงเกิดเลื่อมใสนะแล้วก็เกิดธรรมะอย่างอื่นเดินแต่มันอาจจะมารวมตัวอยู่ในกายภาพในขณะที่กำลังนั่งฟังจบธรรมะอยู่หลัดหลดแล้วก็บรรลุเหมือนเสียงกล้องกังวานของผู้เทศยังไม่เงียบหายไปเลยบรรลุ เป็นพระอริยะแล้วอ น, นันที่ตรัสว่าอริยาสาวกผู้ดได้สดับจึงตรัสว่าอาจึงหมายถึงสดับก่อนได้สดับแล้วแล้วก็มาพิจารณาอยู่ไอ้ตัวนี้ท่านท่านแสดงเหตุการณ์ปฏิบัติด้วยอริยาสาวกในซึ่งเป็นที่หลังนะั้นะหลังฟังหลังพิจารณาเมื่อพิจารณาคือปฏิบัติวิปัสสนานั่นเองย่อมเบื่อหน่าย อาการเบื่อหน่ายเนี่ยมีอยู่สองส่วนนะแต่ตรงนี้สงกัดหมายเอาในส่วนของมักคืคอเบื่อหน่ายบางทีหมายถึงวิปัสนาเบื่อหน่ายบางทีหมายถึงมักแัวเบื่อด้วยมักรเบื่อด้วยวิปัสนาเบื่อด้วยมัก ค, คือตอนนั้นไม่ได้เกิดความรู้สึกขึ้นมาให้รู้สึกได้เหมือนอย่างในขณะที่ทำวิปัสนาแเบื่อรู้สึกแต่ว่าขณะที่มักรเกิดเนี่ย เป็นการเบื่ออย่างถึงจุดแล้วความรู้สึกเบื่อตอนนั้นไม่ปรากฏตัวแต่อยู่ในสํานึกที่เมื่อพูดถึงที่ไหลก็โผล่เมื่อนั้นเพราะนั้นเบื่อหน่ายในลูกตัวนี้จึงหมายถึงในขั้นโลภุตาละมั่งพิจารณาหมายถึงนิปัสนาก็เวนามลูกคือรูปเวทนาสยญาตั้งขันวิญญาณเบื่อหน่ายหมด โดยอัตโนมัติโดยสํานึกเลยเหมือนอย่างเราเองเนี่ยไม่เบื่อโดยสํานึกยึดถือตนโดยสํานึกอริยะท่านเอาความรู้สึกตรงข้ามเข้าไปแทนที่คิดอยู่หรือไม่คิดอยู่ฟังหลักการอยู่หรือไม่ฟังหลักการอยู่ความรู้สึกนี้อยู่ในสํานึกของตั้งเสมอกันทุกองเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัตเมื่อคลายกำหนัตจะหลุดพน้นเมื่อหลุดพน้นก็หลุดเอเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดยานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วไว เ อ, อ่ย่อมทราบชาัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วปรมาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดังนี้แลนี่ทรงแสดงเลยไปถึงอัลลหันเลยครับที่ว่ามียานอย่างรูัว่าหลุดพ้นแล้วก็คือเป็นความรู้สึกในขณะที่เกิดปัจเจเวขณะยานนั่นเองก็เป็นอันว่า พระสูตรนี้จบลงเพียงเท่านี้ก่อนยังจะมีสูตรชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นปักเป็ น, ปนทุติยมีเนื้อความบางอย่างที่แตกต่างควรแก่การสดับรายกายกับสูตรนี้ซึ่งจะได้นํามามาเสนอในกล่าวหน้า อ, อในตอนท้ายรายการเนี่นะฮะช่วงนี้เป็นฤดูกรถินในกรถินไม่ได้กี่วันนะเนี่ย กระสินสุดท้ายวัน